พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส4พระสูตรที่เกมหาปุณณะสูตรสูตรว่าด้วยคืนพระจันทร์เต็มดวงสูตรใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับนัปราสาทของนางวิสาขาในบุพารามใกล้กรุงสาวัตถีประทับนั่งในที่แจ้งแวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ในคืนพระจันทร์เต็มดวงส5บห้าค่ำ ภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลถามเรื่องอุปทานนัขันหรือขันที่ยึดถือ5อย่างพระผู้มีพระภาคตรัสตอบโดยใจความคือ 1. ขันห้ามีความพอใจเป็นมูล 2. อุปทานกับอุปทานัขันห้าเป็นอันเดียวกันอุปทานไม่อื่นจากอุปทานัขันหคือความกำหนัด เพราะพอใจในอุปทานขันหจัดเป็นอุปท า, าน3มีความต่างกันแห่งความกำหนัดเพราะพอใจในอุปทานขันหเช่นความคิดปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในอนาคต4คํคำว่าขันหมายถึงขันหทั้งสามการทั้งภายในภายนอกหยาบละเอียด เลวประนีตใกล้ไกล 5. เหตุปัจจัยที่ให้บัญญัติขันห้าคือธาสเป็นเหตุปัจจัยให้บัญญัติรูปขันคือกองรูปผัสสะเป็นเหตุปัจจัยให้บัญญัติเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนามรูปเป็นปัจจัยให้บัญญัติวิญญาณ 6. สักยทิฏฐิคือความเห็นเป็นเหตุยึดกายของตนคือความเห็นรูปเป็นต้นเจ็ดสักยทิฏฐิจะไม่มีได้ด้วยไม่เห็นว่ารูปเป็นตนเป็นต้น8ความสุขกายสุขใจเป็นอสสาทะในขันห้าหรือความพอใจในขันห้าความไม่เที่ยงเป็นทุกแปรปรวนเป็นโทษในขันห้า การละความกำนัดเพราะพอใจเป็นการหลุดพ้นหรือการถอนตัวในขันห้า 9. ภิกษุรู้เห็นขันห้าตามเป็นจริงไม่ยึดถือก็จะไม่มีอาหางการคือความถือว่าเป็นเรามามังการความถือว่าเป็นของเราและมานะคือความถือตัวซึ่งเป็นกิเลสแฟงตัว ภิกษุรูปหนึ่งเกิดสงสัยว่าถ้าขันห้าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนกรรมที่อนัตตาเป็นผู้ทำรรจะถูกต้องอัตตาอะไรจึงตรัสถามให้เธอเห็นทีละข้อว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ควรยึดถืออย่างไรเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุประมาณห0สิรูปมีจิตหลุดพ้นจากอาสวะ ไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานสำเร็จเป็นพระอรหันต์